พุทธธรรมฉบับรับขยายชีวิตเป็นอย่างไรบทที่สปฏิจจสมุปบาทการที่สิ่งทั้งหลายอาศัยกันอาศัยกันจึงเกิดมีขึ้นเป็นหลักธรรมสำคัญที่แสดงความเกิดดับแห่งชีวิตและความเกิดดับแห่งทุกข์ของบุคคลเรียกอีกชื่อว่าอิทัปปัจยตาหรือปัจจาการปฏิจจสมุปบาทคือกฎธรรมชาติ หรือหลักความจริงที่มีอยู่โดยธรรมดาไม่เกี่ยวกับการอุบัติของพระาศาสดาทั้งหลายเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้และทรงนำมาสั่งสอนแก่มูประชาผู้ที่รู้แจ้งทางตลอดในหลักปฏิจจสมุปบาทเท่านั้นจึงจะพ้นทุกพ้นสังสารวัฏไปได้สิ่งอ่านชุดพุทธธรรมที่ท่านจะได้ฟังต่อไปนี้นาเนื้อหามาจากต้นฉบับพิมพ์ครั้งที่ห้าบห้า ธรรมนิพนธ์โดยสมเด็จพระพุทธโคษาจารย์ปออประยุตโตอ่านโดยอริยคุณชมรมผลดีสิ่งอ่านทุกเรื่องขอให้ฟังเพื่อเข้าใจภาพรวมเบื้องต้นหรือไปฟังทบทวนเท่านั้นนะครับควรศึกษาเพิ่มเติมจากต้นฉบับหนังสือโดยตรงอีกครั้งจัดทาโดยเจ้าภาพหลักกลอกกรัวสินทวัดบงกตชะรนาคสวัสดิ์จยาพัทัวประดิษฐ์เกศรีขจรเกียรติคุณเจ้าภาพรอง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 เทุกท่านร่วมศึกษาทรรไปพร้อมกันเลยนะครับ